มหาประชาบดีโคตมีเถอรีภิกษุณีผู้เลิศทางรัตญัญูอดีตชาติพระนางเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางรัตญัญูในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระครั้งนั้นพระนางเกิดเป็นที่ดาของอมสาธในกรุงหังสวดีในวงเล็บหังสาวติยาบางฉบับว่าหงษสวดี วันหนึ่งได้เข้าไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุณีผู้เป็นพระมาตุจชารูปหนึ่งว่าเป็นผู้เลือดทางรัตนโยนางต้องการเป็นอย่างนั้นบ้างจึงถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ตลอดเจ็ดวันแล้วหมอบลงแทบพระบาทกล่าวปรารถนาตำแหน่งนั้นและได้รับพยากรจากพระองค์ว่า ในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระาศาสดาพระนามว่าโคโดมทรงสมภพในวงพระเจ้าโอกกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จะได้เป็นธรรมทายาิของพระาศาสดาพระองค์นั้นจะเป็นโอรสอันธรรมนิรมิตจะได้เป็นพระสาวิกาของพระาศาสดามีนามว่าโคตมี จักได้เป็นพระมาตุจฉาบำรุงเลี้ยงชีวิตพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจักได้ความเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายรัตตัญยูนางเจริญกุศลทั้งหลายเพื่อความสำเร็จในความเป็นเลิศนั้นจุติแล้วเกิดในเทวโลกเกิดเป็นหัวหน้านางทาสี พบพระปัจเจกับพุทธเจ้าครั้นจุติจากเทวโลกเป็นมนุษย์เป็นภรรยาของหัวหน้าทาตนางเป็นหัวหน้าของนางทาสีห0 0คนอยู่ในเรือนของเศรษฐีชาวกรุงพาราสีสมัยนั้นไม่ใช่การแห่งความมีพระพุทธเจ้าพระนางได้พบพระปเจกับพุทธเจ้าห้ารพระองค์ลงมาจากเงื้อมเขานันทมูลกะ เดินผ่านป่าอิสิปตนะเข้าสู่กรุงเพื่อบินธบาทแล้วกลับมาพักที่ป่าอิสิปตนะพากันดำริว่าพวกเราควรขอพวกช่างเพื่อทำกุฏิสำหรับอยู่จำพรรษาในเวลาเย็นพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้าห่มจีวรนเข้าสู่พระนครขณะนั้นหัวหน้านางทาสีกําลังเดินถือหม้อ น, น้ำไปยังท่าน้ำ ได้เห็นเหล่าพระประเจกพระพุทธเจ้าหยุดอยู่ที่ประตูเรือนของเศรษฐีเศรษฐีรู้ความต้องการของพวกท่านแล้วกล่าวว่าเขาพระเจ้าไม่มีเวลาโปรดไปข้างหน้าเถิดพวกท่านจึงเดินออกจากพระนครหัวหน้านางทาสีถือหม้อ น, น้ำสวนทางกับพวกท่านนางเห็นแล้วจึงลดหม้อ น, น้ำลงไ่ายอย่างนอบน้อมถามขึ้นว่า ทำไมหนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเข้าไปไม่นานเท่าไหร่ก็จะกลับออกไปพวกท่านตอบว่าพวกเรามาเพื่อขอกำลังคนงานและช่างให้ช่วยสร้างกุดีสำหรับจําพรรษาแต่ว่าไม่ได้นางถามว่าจำเป็นหรือที่คนร่ำรวยเท่านั้นจึงทำกุดีนั้นได้หรือคนยากจนก็ทำได้ตอบว่าใครๆก็ทำได้ นางกล่าวว่าดีละเจ้าค่ะพวกดิฉันจะช่วยกันทําและขอพวกท่านโปรดรับอาหารของดิฉันในวันพรุ่งนี้ที่ป่านั้นด้วยเถิดเจ้าค่ะครั้นนิ้หมดแล้วนางก็กลับไปยังท่าน้ําแจ้งข่าวกับนางทาสีทั้งหลายผู้มาเพื่อตักน้ําว่าพวกเราจะพ้นจากความเป็นทาสีพรุ่งนี้พวกเจ้าจงให้สามีของเจ้าทํางานก่อสร้างสักวันหนึ่ง พวกนางทาสีได้ไปบอกแก่หล่าสามีในเวลาเย็นแล้วไปประชุมกันที่ประตูรเรือนหัวหน้าทาสีนางหัวหน้าทาสีกล่าวเป็นคำสั่งว่าพ่อทั้งหลายพรุ่งนี้พวกเจ้าจงถวายหัตถกรรมแก่พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วบอกถึงอนิสงค์ทั้งขู่คนที่ไม่อยากไปด้วยถ้อยครรมอันหนักหน่วง และนัดหมายให้ทาาทุกคนไปที่ป่านั้นวันรุ่งขึ้นนางได้จัดอาหารถวายแก่พระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายบรรดาทาทและบุตรท่าทั้งหลายก็พากันเข้าป่ารวบรวมไม้อุปกรณ์ก่อสร้างและสร้างกุดีขึ้นหลายร้อยหลังจัดทําเป็นที่จงกลมเตียงต่างน้ำใช้และน้ำฉันเป็นต้น เสร็จแล้วนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนให้นางทาสีปลัดเวนกันถวายอาหารวันใดที่ทาสีครอบครัวใดไม่อาจถวายได้ก็ให้ไปนําอาหารจากเรือนหัวหน้าทาสีมาถวายแทนครบสามเดือนหัวหน้าทาสีให้ทาสีทุกคนจัดผ้าสาดกมาคนละผืนรวมได้ห0 0ร้อยผืน นางให้นำผ้าเหล่านั้นมาทำเป็นไตรจีวรถวายพระประเจกับพุทธเจ้า500องค์พวกท่านรับแล้วก็หอบไปสู่ภูเขาทางอากาศโดยพวกนางแลเห็นอยู่นั้นแลอตตกถาว่าบารุงอยู่สามเดือนแต่บาลีอปทานว่าสี่เดือนทาสีเหล่านั้นทุกคนทำกุศลตลอดชีวิตตายแล้วเกิดในดาววดืองเทวโลก พบพระปัจเจกพุทธเจ้าห0 0องค์บุตรของนางปัทถุมวดีต่อมาหัวหน้านางทาสีเกิดในเรือนของหัวหน้าช่างทอหูผอผ้าโดยใช้เครื่องมือพื้นเมืองไม่ไกลจากกรุงพราราสีวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าจำนวน500องค์ซึ่งเป็นบุตรของนางปัทถุมวดีวอ่านพระเจ้าพราราสีนิมนต์ไวมาถึงประตูพระราชนิเวศแต่ ไม่พบใครๆที่จะดูแลเลยจึงกลับออกไปทางประตูเมืองผ่านหมู่บ้านช่างทอหูนั้นนางเห็นแล้วนึกเอ็นดูไหว้และถวายอาหารพวกท่านฉันเสร็จแล้วหอกกลับไปสู่เขาคันธมาสนางทำกุศลตลอดชีวิตแล้วไปตามยถากรรมเรื่องช่วงนี้ไม่มีในบาลีอปปทาน พระชาติสุดท้ายเป็นพระมาตุจฉาบุตรสาวของช่างทอหูนั้นมาเกิดในเรือนของพระเจ้ามหาสุปปุทธะแห่งกรุงเทวทหะแต่บาลีอปทานว่าเป็นธิดาของพระเจ้าอัญนชนะนาสกยะกับพระนางสุลักนาส่วนทาสีอีกห0 0รก็เกิดในตระกูลสากยะพระประยุลญาถวายพระนามว่าโคตมี ประสูตรแล้วในวันที่ขนานพระนามให้นั้นพราม์ทั้งหลายเห็นพระลักษณะของพระนางแล้วได้พยากรณ์ว่าถ้าพระนางได้กําเนิดพระธิดาพระธิดานั้นจะได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิถ้าให้กําเนิดพระโอรสพระโอรสนั้นจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระปชาในวงเล็บในที่นี้หมายถึงทารกในครรภ์ ของพระนางจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพรามทั้งหลายจึงตั้งชื่อว่าประชาบอดีครั้งนั้นลาพรามประจำราชสํานักผู้ชํานาญมนตรวจดูพระลักษณะของพระนางทั้งสองแล้วพยากรว่าทาลกที่อยู่ในคันของพระนางทั้งสองจักเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเมื่อจเจริญวัยแล้วพระเจ้าสุดโททนาทรงอภิเศกกับพระนางทั้งสอง ต่อมาพระโพธิสัตว์ของเราจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตรทรงถือปฏิสนธิในพระการของพระนางมห า, มายาเทวีในวันที่เจ็ดตั้งแต่วันที่พระโพธิสัตว์ประสูติแล้วพระนางมห า, มายาเทวีเสด็จสวรรคตเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตรพระเจ้าสุทโธธนะก็ทรงสถาปนาพระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นพระมาตุจฉาของพระโพธิสัตว์ไว้ในตําแหน่งพระอัครมเหสีเวลานั้นนันทกุมารพระโอรสของพระนางประชาบดีโคตมีก็ประสูดแต่พระนางประชาบดีทรงมอบพระโอรสนันทะให้พระพี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงดูส่วนตัวพระนางทรงบารุงเลี้ยงพระโพธิสัตว์ด้วยพระองค์เอง อธิกถาและดีกาพระวินัยว่านันทกุมาทรงพระยาวกว่าพระโพธิสัตว์สองสามวันครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถะเสด็จออกมหาพิเนศกรมและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงอนุเคราะห์โลกที่มะคตพระเจ้าสุดโททนะพุทธบิดาทรงสดับข่าวนั้นทรงสงคนไปกราบทูลเชิญนิวัด พระนครกบิลพัทซึ่งท่านกาลุทายีอัมมาศได้ทำความปรารถนาของพระราชาให้สมประสงค์แล้วด้วยการทูลเชิญให้เสด็จมาสำเร็จวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จบินทบาทแล้วทรงออกไปตรัสห้ามมิให้บินทบาทขอข้าวจากชาวบ้านเพราะยังไม่สงเข้าใจพุทธประเพณีบินทบาท พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมพระราชาทรงได้บรรลุโสดาปติพ์วันที่สองของการเสด็จนิวัติทรงให้นันทกูมารผู้เป็นพระอนุชาถือบาตรตามทรงถึงที่ประทับและทรงให้นันทะอุปสมบทวันที่เจ็ทรงให้ราหุลกูมาบรบันพัชชาเป็นสัมมาเนนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะ ไปประทับที่คูตคการสาลากรุงเวสาลีแคว้นวัดชีแล้วพระเจ้าสุทธทนาก็ทรงทำให้แจ้งพระอรหัตเป็นพระอรหันต์แล้วปรินิพพานทรงทอผ้าเพื่อถวายพระพุทธเจ้าทำให้เกิดพระสูตรชื่อทักกีนาวิพังคสูตร ท่านเล่าว่าในครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพั์ครั้งแรกนั้นพระนางได้เห็นพระสิริโฉมของพระพุทธเจ้าแล้วทรงเกิดพระสมัทว่าบุตรของเรางดงามมากตลอดที่อยู่ในวังยี่สิบก้าปีนั้นเราไม่เคยให้อะไรแม้สักว่าผลกล้วยสักผล ให้แต่น้ำนมส่วนที่เป็นวัตถุสิ่งของมิได้ให้เฉพาะพระองค์บัดนี้เราจะถวายผ้าจีวรแก่บุตรของเรานางดำริว่าหากเราจะหาผ้ามีราคาแพงจากกรุงรัชครื้มาถวายก็ไม่ทําให้เราดีใจแต่ผ้าที่เราทําเองจะทาความดีใจให้มากกว่าเราจะต้องทาผ้าขึ้นมาเอง ครั้งนั้นทรงให้คนนำผ้าฝ้ายมาจากตลาดทรงขยำทรงยีด้วยพระหัตกรออได้อย่างละเอียดทรงให้สร้างโรงทอผ้าภายในพระราชวังทรงให้เรียกช่างศิลป์มาให้ทอผ้าส่วนพระนางทรงจับปลายกระสวยจนทอเสร็จทรงให้รางวัลใหญ่แก่ช่างศิลป์ทั้งหลายและทรงนำผ้าคู่หนึ่งใส่ในหีบอันมีกลิ่นหอม ทรงให้ถือพาดทูลแด่พระราชาว่าหม่อมชั้นจะนำจีวรไปถวายแก่บุตรเราพระราชาตรัสสั่งให้เตรียมทางเสด็จราชบริพาลทั้งหลายปัดกวาดถนนตั้งหม้อน้ำเต็มยกธงทั้งหลายตกแต่งทางตั้งแต่ประตูพระราชวังจนถึงพระวิหารนิโครธารามทำหนทางที่เกลื่อนด้วยดอกไม้ พระนางมหาประชาบดีทรงประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างมีล่าพระพี่เลี้ยงนางนมแวดล้อมแล้วทรงทูลหีบผ้าเสด็จเข้าไปในสำนักพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าไหมคู่นี้หม่อมชั้นกรอได้ทอเองตั้งใจอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์ โปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของหม่อมฉันเถิดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนโคตมีท่านจงถวายสงเถิดเมื่อถวายสงแล้วจะเป็นอันท่านได้บูชาทั้งอาตมาภาพและภิกษุสงฆ์แต่พระนางก็ยังแสดงความจำนงที่จะถวายพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สาม แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสให้ถวายแก่สงฆ์แม้ท่านพระอนุนจะช่วยกราบทูลให้เห็นถึงอุปการะที่พระนางทรงเลี้ยงดูพระองค์มาและพระองค์ก็ทรงมีอุปการะแก่พระนางทำให้พระนางถึงพระรัตนตรยัยมีศีลห้าและหมดความสงสัยในอริยสัจสีดูตามคำของพระอนุนแล้ว เหมือนกับว่าพระนางประชาบดีทรงบรรลุ ธ, ธรรมจักสุแล้วพระพุทธเจ้าทรงชื่นชมว่าพระอนุ์พูดถูกแล้วแต่พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกผู้ที่กราบไหว้ลุกราบทาอัญชลีทมสามีจิ ก, กรรมด้วยการถวายจีวรบินทบาตเสนาสนะและคิลณะปัจจัยเพศสัตว์บริการแด่พระองค์หรือมีศีลห้าเป็นต้น ว่าเป็นการตอบแทนคุณด้วยดีเพราะยังถือว่าเป็นทานที่ถวายเจาะจงบุคคลไม่เป็นสังฆทานจิตใจยังไม่แผลท่วนทั่วจากนั้นทรงแสดงการให้ทานสองประเภทคือปาติบุคคลิกทานสิบสี่อย่างและสังฆทานเจ็อย่างเรียกพระธรรมเทศนานี้ว่าทักคีนาวิพังคสูตร ปติบุคคลิกทานสิบสีประเภทคือการที่บุคคลถวายทานหรือให้ทาน 1. ให้แก่พระพุทธเจ้า 2. ให้แก่พระประเจกพระพุทธเจ้า 3. ให้แก่พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า 4. ให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งพระอรหัตผล 5. ให้แก่พระอนาคามี 6. ให้แก well ่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 7. ให้แก่พระสกทาคามี 8. ให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล 9. ให้แก่พระโสดาบัน 10. ให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล 11. ให้แก่ท่านผู้ประสจากความกําหนัดในการภายนอก สิบสองให้แก่ปุถุชนผู้มีศีลสิบสามให้แก่ปุถุชนผู้ทุศีลสิบสีให้แก่สัตว์ดิรฉานสังฆทานเจ็ดประเภทคือทานที่ถวาย 1. ในสงสองฝ่ายทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 2. ในสงสองฝ่ายเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว 3. ในภิกษุสงฆ์ 4. ในภิกษุณีสงฆ์ 5. ทักซีนาที่เจาะจงภิกษุหรือภิกษุณีจำนวนเท่านั้นเท่านี้จากสงฆ์คือสงฆ์เป็นผู้จัดให้ 6. ทักซีนาที่เจาะจงภิกษุเท่านั้นเท่านี้จากสงฆ์ 7. ทักซีนาที่เจาะจงภิกษุณีเท่านั้นเท่านี้จากสงฆ์ จุดประสงค์ที่ตรัสพระสูตรนี้ก็เพื่อให้พุทธบริษัทเห็นความสำคัญของสงส่วนรวมไม่หลงยึดติดว่าจะต้องทำทานกับผู้มีชื่อเสียงเป็นต้นมิฉะนั้นภิกษุภิกษุณีหรือสั ม, มเนรผู้ประพฤติปฏิบัติ ด, ดีแต่ไม่มีชื่อเสียงจักเป็นอยู่ยากหมดกําลังใจที่จะประพฤติสุจริตเงียบ ออกบวชครั้งนั้นพระมหาประชาบดีทรงเกิดความว้าเหวพระไทยทรงปรารถนาจะออกพนวดเมื่อพระชายาของหลาวสักยักุมารห้าร้อยท่านอันสามีทั้งหลายพากันออกบวชเป็นภิกษุทั้งหมดพวกนางจึงมีฉันทะคือความพอใจตรงกันปรึกษากันว่าจะออกบวชบ้างทั้งหมดมีพระนางมหาประชาบดีเป็นหัวหน้า ตัดพระเกศาครองผ้ากาสายะเดินทางไกลสู่กรุงเวสาลีและได้พบท่านพระอนนทเถระช่วยทูลขอบวชสำเร็จด้วยครุธรรมแปดดังที่กล่าวมาแล้วตอนต้นพระเถรีทรงเห็นว่าตนเองบวชเมื่อมีอายุมากแล้วได้เข้าเฝ้ากราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมโดยย่อ ที่บ่มชั้นฟังแล้วจะได้เป็นผู้เดียวหลีกออกไม่ประมาทมีความเพียรมีตนสมไปอยู่พระพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจหลักการของพระธรรมวินัยว่าดูก่อนโคตมีท่านจงรู้ว่าทำเหล่าใดหนึ่งเป็นไปเพื่อความกำนัดไม่ให้เป็นไปเพื่อกลายกำนัดสองเป็นไปเพื่อความประกอบไว้ไม่เป็นไปเพื่อความพลาก 3. เป็นไปเพื่อความสะสมไม่เป็นไปเพื่อความไม่สะสม 4. เป็นไปเพื่อความมากักมากไม่เป็นไปเพื่อความามักน้อย 5. เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษ 6. เป็นไปเพื่อความคลุก Kendall. คลีหมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสงัด 7. เป็นไปเพื่อความเกียรติคร้านไม่เป็นไปเพื่อความปรารบความเพียร เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายโคตมีท่านจงพึงจำไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินยัยนั่นไม่ใช่สัตว์ทุสศาสตร์ที่ตรงข้ามจากนี้เป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นสัตว์ทุสศาสตร์กราวคือตรัสธรรมที่ประกอบสัตว์ไว้ในทุกขปดและธรรมที่นาออกจากทุกแปด ในอัธกาดนิบาทเล่าว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดอย่างทรงแสดงแก่พระมหาปชาบดีที่ป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลีอัธกถ า, าว่าพระเถรีได้บรรลุอรหัสด้วยพระโอวาทนี้บรรลุพระอรหัสถึงความเป็นผู้เลิศ ท่านว่าพระนางรับกรรมาฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้แจ้งพระอรหัตได้ส่วนภิกษุณีอีกห้0รอรูปก็บรรลุพระอรหัตเมื่อได้ฟังทำชื่อนันทโกวาทสูตรจากพระนันทะต่อมาทรงสถาปนาแต่งตั้งพระนางว่าเป็นเลิศทางรัตัญูคือมีประสบการณ์มากรู้สิ่งต่างๆมามาก หลังบรรลุพระอรหัตแล้วพระนางยับยั้งอยู่ด้วยผลสุขและนิพพานดำรงอยู่ในความกระตันยูวันหนึ่งพระนางตรัสสารเสริญพระพุทธเจ้าและความมีอุปการะที่มีต่อพระพุทธเจ้าถ้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้กลาผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงหม่อมชันขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้ทรงช่วยปลดเปลื้องหม่อมชัน และชนอื่นเป็นอันมากให้พ้นจากทุกข์หม่อมฉันได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วอัตภาพนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายชาติสงสารสิ้นไปแล้วบัตรนี้พบใหม่ไม่ได้มีพร้อมกับการบรรลุพระอรหัสตนั้นพระเถรียังถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษอื่นอื่นอีกมากมายดังที่ท่านเล่า ว, ว่าวิชาสาม หม่อมชันบรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภินยาหกหม่อมชั้นก็ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมชันก็ได้ทำสำเร็จแล้วคำของพระเถรีทั้งหลายที่มาในเถรีอปทานนั้น จะกล่าวสรุปถึงคุณวิเศษที่ตนได้บรร ล, ลุทํานองนี้ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศตนเป็นพระอุปชาและอาจารย์ของพระเถรีอัตถกถาธรรมบทเล่า ว, ว่าต่อมามีภิกษุณีกลุ่มหนึ่งพูดคุยกันว่า พระนางบวชโดยไม่มีอุปชาหรืออาจารย์อย่างพวกเราภิกษุณีทั้งหลายได้ยินแล้วก็จึงรังเกียจไม่ยอมร่วมทาอุโบสถและปวารณากับพระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีเหล่านั้นจึงกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระพุทธเจ้าตรัสว่าครุธรรมแปดประการเราให้แล้วแก่มหาปชาบดีโคตมีเราเองเป็นอาจารย์เราเองเป็นอุปชาของพระนาง เธอทั้งหลายไม่ควรทำความรังเกยียจในพระขีณาสพคือผู้สิ้นอสวะทั้งหลายผู้เว้นจากทุจริตทั้งหลายแล้วแล้วตรัสเป็นพักคาถาแล้วตรัสเป็นคาถาว่าความชั่วทางกายวาจาและใจของบุคคลใดไม่มีเราเรียกบุคคลสํารวมแล้วในฐานะสามคือกายวาจาใจว่าเป็นพราหม เกิดพระอ า, าพาธหนักครั้งหนึ่งพระมหาประชาบดีเกิดอ า, าพาธหนักพระเถระทั้งหลายเข้าไปเยี่ยมท่านถึงที่อยู่แล้วกล่าวถามว่าท่านยังพอทนได้หรือพระเถ ร, รีตอบว่าดิฉันทนไม่ไหวไม่อาจให้อัตภาพเป็นไปได้ขออรันาพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดแสดงธรรมเถิดเจ้าค่าพระเถระทั้งหลายปฏิเสธ เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระบัญญัติห้ามภิกษุเข้าไปสู่ที่อยู่ของภิกษุณีแล้วสั่งสอนพวกภิกษุณีเป็นอาบัติปาจิตตีรุ่งเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระเถรีถึงที่อยู่ตรัสถามถึงความอาพาธพระเถรีจึงทูลว่าไม่เกิดความสำราญเพราะไม่ได้ฟังธรรมจากพระเถระทั้งหลายเพราะเหตุนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุเข้าไปสู่ที่อยู่ของภิกษุณีแล้วแสดงธรรมได้หากภิกษุณีนั้นอ า, าพาธรึกถึงอายุสังขารเมื่อพระมหาปชาบดีโคตมีเทวีทรงมีพระชนมายุอยู่ร2 0ปีวันหนึ่ง พระนางออกจากผลสมาบัติและทรงเกิดความสมณะรำพึงถึงอายุสังขารของพระองค์ทรงทราบว่าอายุสังขารของพระองค์สิ้นแล้วทรงดําริที่จักไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลลาพระพุทธเจ้าพระเถรรชทั้งหลายและเพื่อนพระมจารีทั้งหลายส่วนภิกษุณีผู้เป็นบริวารของพระนางห้ารูป ก็มีดำริเหมือนพระนางในบาลีอปทาเล่าว่าพระนางรำพึงว่าพระนางจกไม่อยู่เห็นการปรินิพานของพระพุทธเจ้าพระอัครสาวกพระราหุลพระอานนท์และพระนันทะคือพระนางปรินิพานก่อนท่านเหล่านั้นแม้ภิกษุณีบริวารห0 0รอรูปและพระเขมาเถรีเป็นต้น ก็จากสิ้นอายุสังขารเช่นกันครั้งนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวเทวดาที่สิงสถิตในสำนักภิกษุณีต่างถูกความเศร้าโศกบีบคั้นพรำเพออย่างน่าสงสารภิกษุณีทุกๆุกรูปและเทวดาพากันไปหาพระนางทูลถามถึงเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวกรองทิปบรลือลัน่นและเสียงกร่ำครวญของลาวเทพ พระนางจึงได้แจ้งว่าตนเองพร้อมด้วยภิกษุณีผู้ออกจากเรือนบวชมาด้วยกันอีกห้าร้อยรูปจากปรินิพานขอขมาเทวดาปลอบโยนอุบาสกครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคเตมีไม่ได้กล่าวกับเทพทั้งหลายว่า จงอดโทษแก่เราเถิดการเห็นสำนักภิกษุณีของเรานี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายในที่ใดไม่มีความแก่หรือความตายไม่มีการประกอบในสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักไม่มีการพัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักที่นั้นนักปราชญ์กล่าวว่าเป็นอสังคตะสถานคือนิพพานพระนางตรัส ปลอบโยนลา่าอุบาสกผู้มาพบว่าอย่าร้องไห้ไปเลยลูกเอ๋ยวันนี้เป็นเวลาเรื่นเริงของท่านทั้งหลายความทุกข์เราก็กำหนดรู้แล้วตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เราก็เว้นขาดแล้วความดับทุกข์เราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วทั้งมรรคเราก็ได้อบรมอย่างดีแล้วพระศาสดาเราก็ได้บํารุงแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทำเสร็จแล้วภาระอันหนักเราก็ปลงลงแล้วตัณหาอันนำไปในพบเราก็ถอนเสียแล้วคนทั้งหลายออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเพื่อประโยชน์ได้ประโยชน์นั้นเราบรรลุโดยลำดับสังโยชน์ทุกอย่างก็หมดไปพระพุทธเจ้าและพระสัตว ธ, ธรรมของพระองค์ไม่ได้บกพร่อง ยังดำรงอยู่ตราบใดการเวลาที่เรานิพพานก็ดำรงอยู่ตราบนั้นลูกเอ๋อยอย่าได้เศร้าโศกถึงเราเลยพระโกนทัญญาพระ อ, อนอนทและพระนันทะเป็นต้นก็ยังอยู่พระราหุลพุทธชินโนรสก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็อยู่ร่วมกันเป็นสุขพวกเดรถีก็หายโง่ หายกระด้างแล้วน้ำตาของท่านทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรเล่าถ้าท่านทั้งหลายจะมีความเอ็นดูทั้งมีความกตันอยู่ในเราไซาขอให้ท่านทุกคนจงทำความเพียรมั่นเพื่อความดำรงอยู่แห่งพระสัต ธ, ธรรมเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเราทูลอ้อนบอนจึงได้ประทานบนรรพชาแก่สตรีทั้งหลายเพราะฉะนั้น เราร่าเริงฉันใดท่านทั้งหลายก็จงเจริญรอยตามซึ่งความร่าเริงอันนั้นเถิดเข้าเฝ้ากราบทูลขอขมาลาปรินิพานครั้นให้โอวาดพร่ำสอนแก่อุบาสิกาทั้งหลายแล้วพระนางก็เสด็จนำหน้า มีพิษุนีทั้งหลายติดตามเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลาปารินิพานพระนางศพพระเสียน ล, ลงแทบพระบาทอันเป็นประกายคล้ายดอกบัวบานมีพระรัศมีงามดังดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆพระนางกราบทูลว่าหม่อมชั้นขอน้อมนมัสการพระผู้เป็นอธิตยวงจอมนรชน ผู้ทรงเป็นธงชัยแห่งอาทิตยวงศ์หม่อมชั้นมรณะเป็นครั้งสุดท้ายหม่อมชั้นจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกข้าแต่พระองค์ผู้เลิศแห่งโลกธรรมดาสตรีทั้งหลายล้วนแต่ก่อโทษทุกอย่างแล้วก็พากันตายไปถ้าโทษไรๆของหม่อมชั้นมีอยู่ก็ขอพระองค์ได้โปรดกรุณาอดโทษแก่หม่อมชั้นด้วยเถิดอันหนึ่ง หม่อมฉันได้ทูลซ้ำๆซากซาให้สตรีทั้งหลายได้บวชข้าแต่พระนราสภะถ้าโทษหม่อมฉันในข้อนี้มีอยู่ขอได้โปรดทรงอดโทษนั้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโคตมีผู้ประดับไปด้วยคุณชื่อวานิพานก็สมควรแก่ท่านจะมีโทษอะไร เมื่อท่านบอกว่าจจลานิพพานพระธถาคตจะกล่าวอะไรแก่ท่านให้มากไปเล่าเมื่อภิกษุณีสงของพระธถาคตบริสุทธิ์ไม่บกพร่องท่านจะออกไปเสียจากโลกนี้ก็ควรเพราะในเวลาสว่างเมื่อดวงดาวหมดแสงจันทะเลขาเงาพระจันทร์ก็เห็นเลือนไปจากนั้น พระนางและภิกษุณีทั้งหลายพากันทำประทักศินพระพุทธเจ้าครั้งนั้นท่านพระ อ, อนนพุทธอนุชาผู้ยังเป็นพระเสขบุคคลอยู่หลั่งน้ำตาร้องไห้คล่ำครวญอย่างน่าสงสารพระนางได้กล่าวกับท่านว่าลูกเอ๋ยเมื่อการหน้าร่าเริงปรากฏขึ้นแล้วพ่อไม่ควรจะเศร้าโศกถึงการตายของแม่ การปรินิพานของแม่ใกล้เข้ามาแล้วลูกเอ๋ยพระศาสดาพ่อได้ทูลเชิญแล้วจึงได้ทรงอนุญาตให้แม่บวชลูกเอ๋ยพ่ออย่าได้เสียใจไปเลยความยากลำบากของพ่อมีผลก็บทใดหมายถึงพระนิพานอาจารย์ฝ่ายเดียรถีเก่าๆติฐิกอาจารย์ไม่เห็น บทนั้นเด็กหญิงซึ่งมีอายุเจ็ดขวบก็รู้แจ้งประจักษ์แล้วพ่อจงรักษาพุทธศาสนาไว้แม่เห็นพ่อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายบุคคลไปในทิศใดแล้วไม่ปรากฏแม่ก็จะยังไปทิศนั้นนะลูก แสดงปาฏิหาริย์ก่อนปรินิพานครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศแสดงฤทธิ์เป็นอันมากตามพระพุทธานุญาตคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้และทำให้หายไปก็ได้ ทะลุ ก, กำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นแล้วดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ําก็ได้เดินบนน้ําไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปตลอดปรมโลกก็ได้ทําภูเขาซินเนรุให้เป็นคัน พลิกมหาปัตภีพร้อมด้วยรากทำให้เป็นตัวร่มก้านร่มเดินจงกลมในอากาศทำให้โลกเป็นควันประหนึ่งเวลามีอาทิตย์ขึ้นหกดวงและทำโลกให้เกลื่อนด้วยพวงดอกไม้เหมือนคล้องพวงมาลัยไว้ที่ยอดเขาสุขนทอนแล้วก็ลงสู่พื้นปัตภีถวายบังคมกราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาโมนีผู้นำโลกหม่อมชั้นมีอายุได้ร้อยยี่สิบปีนับแต่เกิดเพียงเท่านี้ก็พอแล้วหม่อมชั้นทูลลานิพพานแม้ภิกษุณีห0 0รอรูปก็ได้แสดงปฏิหารอย่างนั้นแล้วกราบทูลลานิพพานเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเธอทั้งหลายเมื่อพูดอย่างนี้ว่าจากนิพพาน คถาคดจะไปว่าอะไรก็บัดนี้เธอทั้งหลายจงสำคัญการเวลาของเธอเอาเองเถิดจากนั้นได้เสด็จสมพระนางและภิกษุณีทั้งหลายที่ซุ้มประตูปลอบโยนอุบาสิกาและอาการปรินิพานครั้งนั้น อุบาสิกาทั้งหลายในพระนครผู้มีความเคารพรักในพุทธศาสนาได้สดับข่าวนั้นก็พากันเข้าไปในมัสการแทบบาทธโมลลาวพระเถรีเอามือทุบ อ, อกคร่ำครวญอย่างน่าสงสารเต็มด้วยความเศร้าโศกบางคนล้มลงที่พื้นดินดุดเถาวัลราขาดฉะนั้นพระมหาปชาบาดีโคตมีเถรี รูปศรีรษะของอุบาสิกาผู้มีศรัทธามีปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าของอุบาสิกาเหล่านั้นตรัสว่าลูกเอ้ยความโศกสลดซึ่งตกอยู่ในบ่วงแห่งมารไม่ควรเลยสังคตะธรรมทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงมีการพัดพรากเป็นที่สุดต่อแต่นั้นพระเถรีและอุบาสิกาเหล่านั้นก็เข้าปฐมฌาน ทุติยฌานตติยฌานและจตุถฌานแล้วเข้าอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานและในวสัญญ า, าสัญญายตนะฌานตามลําดับแล้วพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเข้าฌานทั้งหลายโดยปฏิโลมคือย้อนกลับ แล้วก็เข้าปฐมฌานไปจนถึงจตุตฌานออกจากจตุตฌานแล้วก็ดับเหมือนเปลวประทีปที่ปราศจากเชื้อแล้วดับไปฉะนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่สายฟ้าก็ตกลงจากนภาอากาศกรองทิพย์ก็บัรลอลั่นขึ้นเองถวยเทพก็พากันคร่ำครวญฝนดอกไม้ก็ตกลงจากอ า, ากาศสู่พื้นดิน พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระอานนท์แล้วสั่งให้ไปประกาศให้ภิกษุสงฆ์ทราบถึงการปรินิพานนั้นขณะนั้นพระอานนท์ผู้เคยร่าเริงก็หมดความร่าเริงมีดวงตาเต็มด้วยน้ําตาได้ประกาศด้วยเสียงสะอื้นว่าขอภิกษุทั้งหลายผู้เป็นโอรสของพระสุคตผู้อยู่ในทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตก และทิศเหนือจงมาประชุมกันภิกษุณีผู้ทำพระเสรีระสุดท้ายของพระมุนีให้เติบโตด้วยน้ำนมมีนามว่าพระประชาบดีโคตมีเถรีนิพพานถึงความสงบเหมือนดวงดาวทั้งหลายไม่มีแสงเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยฉะนั้นพระเถรีมีบัญญัติทำให้รู้ทั่วไปว่า พระพุทธมารดานิพานแล้วในที่ใดถึงคนมีห้าตาก็แลไม่เห็นในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้นำทรงเห็นได้ขอพระโอรสของพระสุคตผู้มีความเชื่อในพระสุคตหรือเป็นสิทธิ์ของพระมหามมนีจงทำสักการะแด่พระพุทธมารดาเถิดภิกษุทั้งหลายแม้อยู่ไกลได้ฟังคำนั้นแล้ว บางพวกมาด้วยพุทธานุภาพบางพวกมาด้วยฤทธิ์ของตนช่วยกันยกเอาเตียงที่พระโคตมีเถรีหลับขึ้นไว้ในเรือนยอดอันประเสริฐหน้ารื่นรมทำด้วยทองล้วนงดงามเท้าโลกบาลทั้งสี่เอาบ่าลองรับเรือนยอดถวยเทพที่เหลือมีเท้าสกกะเป็นต้นได้ช่วยรับเรือนยอด ก็เรือนยอดทั้งหมดมีห้าร้อยหลังอันวิสุกรรมเทพบุตบุนรมิดไวมีสีเหมือนดวงอาทิตย์ในสรัฐกาลคือฤดูใบไม้ร่วงทวยเทพทั้งหลายได้แบกภิกษุณีทุกๆรูปที่นอนอยู่บนเตียงแล้วนาออกไปตามลำดับพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพุทธมารดาผู้อันเทวดาและมนุษย์สักกระ เชิญไปข้างหลังเทวดามนุษย์พร้อมด้วยนาคอาสูรและพรหมไปข้างหน้าข้างหลังมีพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกเสด็จไปเพื่อบูชาพระพุทธมารดาการนิพพานของพระพุทธเจ้าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่การปรินิพพานของพระประชาบดีโคตมีเถรีอัศจรรย์ยิ่งนักในเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้า และภิกษุณีทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นเหมือนในเวลาพระประชาบดีโคตมีเถรีนิพพานชนทั้งหลายช่วยกันทำจิตกาทานคือเชิงตะกรซึ่งสำเร็จด้วยของหอมล้วนและเกลื่อนไปด้วยจรุนแห่งเครื่องหอมแล้วเผาภิกษุณีเหล่านั้นบนจิตกาทานนั้น ส่วนสรีระนอกนั้นถูกไฟไหม้สิ้นเหลือแต่อัติในเวลานั้นพระอนนท์ได้กล่าววาจาอันให้เกิดความสังเวทว่าประชาบดีโคตมีเถรีเข้านิพพานแล้วพระสรีระของพระเถรีก็ถูกเผาแล้วพระอนนท์ได้น้อมพระาธาตุของพระประชาบดีโคตมีเถรีซึ่งอยู่ในบาดของพระเถรีถวายแด่พระพุทธเจ้า ตรัสว่าเพราะสังขารเป็นสภาพไม่เที่ยงโคตมีเป็นใหญ่กว่าภิกษุภิกษุณียังต้องปรินิพานเหมือนลําต้นของต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นยืนต้นอยู่ถึงจะใหญ่โตก็ต้องผุพังไปฉะนั้นพระเถรีผู้เป็นมหาสาวิกาเช่นพระเขมาเถรีเป็นต้นก่อนปรินิพานก็จะเข้าเฝ้ากราบทูลาปรนิพานเช่นกัน